ตั้งใจตั้งสติดีๆตั้งตกตั้งใจฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องเอาใจฟังเอาใจฟังคื อ, อยังไองอ่ะก็สติของเราเนี่ ย, ยรักษาใจนั่นแหละสติของเราเนี่ยทำยังไงใจของเรามันถึงจะอยู่ใจของเราจะอยู่เนี่ย ต้องให้มันอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งในหลักของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้มีสติแล้วก็ให้จิตของเราเนี่ยอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งให้มันนานขึ้นเรื่อยๆถ้าหากว่าเราถนัดดูลม้มเราก็ต้องให้จิตของเราเนี่ยอยู่กับลม ลมนี้พระพุทธเจ้าก็เรียกว่าอาณาปานสติคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกพระพุทธเจ้าเรียกว่าอาณาปานสติพระพุทธเจ้าก็จเจริญอาณาปานสติกรรมดาคือมีสติอยู่ที่ลม ถ้าหากว่าเราดูลมบางทีก็มีลมเข้าพุทธลมออกโถ ก, กพันเดียวกันเพราะถ้าดูลมเฉยๆจิตมันไม่มีน้ำหนักมันก็เลยร้นอนออกไปเท้าใส่พุทธใส่โทเข้าไปจิตมันอยู่กับลมได้ดีกว่าดูลมเฉยๆเราก็ใส่พุทธใส่โทเข้าไป มันเป็นอุบายที่จะรักษาจิตของเราควบคุมจิตของเราให้อยู่กับตัวเราโดยให้อยู่กับลมเพราะนั้นบางคนก็เริ่มตัวบริกรรมพุโทโธพุโทโธก่อนพอมีสติควบคุมจิตได้ดีขึ้นมันก็มาดูลมได้ง่าย ดูลมเข่าดูลมออกตามดูลมรอมามันก็ไม่สนใจว่าเป็นลมหายใจหรือไม่ใช่ลมหายใจ ต, ต่อไปเมื่อมันมีสติดีขึ้นตัวสตินี้ก็คือระลึกหลุมความหมายของสติก็คือระลึกหลุมรู้อยู่ที่ไหน ถ้าเป็นอาณาปานสติก็รู้อยู่ที่ลมอยู่ที่ลมหายใจลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้เนี่พระพุทธเจ้าก็สอนสอนอาณาปานสติการกำหนดดูลมบางทีก็เรียกว่าเป็นกายานุปัสนาสติปทานการตามดูกาย เพราะลมนี่มันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายลมเนี่ยเป็นธาตุลมเป็นเรื่องของร่างกายที่มาประกอบกันที่ลูกรูปลาลมอารมณ์คือลูกมันมาประกอบกันธาตุลมมาประกอบรวมกันเข้ากับธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟบวกกับธาตุลมเข้าไป ก็กลายเป็นร่างกายขึ้นมาธาตุใหญ่ๆในร่างกายของเราก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเพราะนั้นธาตุลมก็คือส่วนหนึ่งของร่างกายเพราะนั้นอาณาปานสติเนี่ยก็อยู่ในหมวดหนึ่งของกายานุปัสนาสติปทานคือมีสติตามดูกายเมื่อสติตามดู บ่อยๆเนืองๆจิตของเราเนี่ยมันก็จดจอ่ออยู่ที่ลมเมื่อมันจดจอ่ออยู่ที่ลมจิตมันก็ไม่เล็ดลอดไปไหนจิตก็อยู่กับลมได้นานขึ้นนานขึ้นก็เรียกว่ามันมีเริ่มมีสมาธิเพราะสมาธิก็คือการที่จิตของเราอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นเวลานา น, า น, าน พระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์ยังไม่ได้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ายางเด็กอยูอ่ก็ไปดูพิธีพระราชาพิธีเขามีราชพิธีอะไรเหมือนกับราชาพิธีเหล็กนาขวัญของเรานี่แหละนั่งอยู่คนเดียวใต้ตนว่าผู้ใหญ่ก็ไปร่วมพิธีกันหมดพระราชาบิดาก็ไปร่วมพิธี พ่ อ, องนั่งอยู่อยู่ดีๆพ่ อ, องก็รู้ลมเข้ารู้ลมออกดูลมเข้าลมออกใจส ง, ง, งบสงบเป็นสมาธิเนี่ยแต่ตอนนั้นน่ะยังเป็นสมาธิทั่วๆไปยังไม่ได้รู้อะไรเนี่ยก็บรรลุปฐมฌานทุติยฌานยตุตฌานอะไรนั่นแหละนีก็คือเข้าไปหาดินเข้าไปอยู่ข้างในพระ อ, องค์ก็ ใจหรือพระไทยก็เป็นสมาธิแล้วมีความสงบใจใจที่เคยปรุงแต่งให้ความคิดปรุงแต่งมันระงับไปความคิดที่เคยปรุงแต่งจิตมันดับไปมันหมดไปเรียกว่ามันสงบพอมันสงบจากสังขารจากสิ่งปรุงแต่งจิตก็แน่วแน่อยู่กับลมเข้าลมออก ถ้าเราดูลมไปตามไปตามไปตามไปลมค่อยๆละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปสติถ้าหาว่าสติมีกําลังสติก็ตามลมไปด้วยละเอียดขนาดไหนสตินี้ก็สามารถรู้ได้รู้ว่าลมเป็นอย่างนี้รู้ว่าลมเนี่ยมันเบาหรือว่ามันแรง รู้ว่ารมเนี่ยมันหนักหรือมันเบามันยาวหรือมันสั้นหรือมันเป็นยังไงเนี่ยมันจะเปรู้ลมดูลมรู้ตาเนี่ยเรียกว่าตามดูลมการตามดูลมเนี่ยเนื่องจากว่าร่างกายของเรามันมีธาตุลมอยู่แล้วลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันมีอยู่ตลอดเวลาแล้วร่างกายของเราเนี่ยก็มีธาตุลมเป็นส่วนประกอบ เพราะนการดูลมมันก็ทำให้จิตของเราอยู่กับตัวเราอยู่กับร่างกายของเราบางทีก็เรียกว่ากายะคตาสติกายานุปัสนาสติปทานก็ได้อาณาปานสติก็ได้กายกายะคตาสติ ay ak ay ak ก็ได้สรุปแล้วกรรมฐานทุกอย่างเลยเหมือนกัน ไม่ต่างกันบางคนก็บอกว่าถ้าเป็นกายยะคตาสติต้องมาดูผมขนเล็บฟันหนังอันนี้เป็นกายยะคตาสติก็ถูกถ้าดูลมเรียกอาณาปานาสติก็ถูกทั้งลมหรือว่าดูอาการของร่างกายอาการ32สอง หรืออสุภะอะไรก็ตามอยู่ในหมวดที่เรียกว่ากายลุปั ส, สนาสติปฐานแสดงว่ากรรมฐานทั้งหมดเป็นอันเดียวกันเพราะมีเป้าหมายอันดับแรกให้มีสติควบคุมจิตให้อยู่กับตัวเราถ้าหากว่ามันตามดูลมแล้วมันไปรู้อาการของลมว่ามันเป็นยังไง คือลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมกว้างหรือลมแคบก็รู้ลมใหญ่ลมเล็กรู้ลมเบาลมหนักรู้เนี่ยมันมีความรู้เพิ่มขึ้นเขาเรียกว่าสัมปะชัญญะมีการปฏิบัติเนี่ยมันก็เริ่มมีสติแล้วก็มีสัมปะชัญญะตอนแรกตามดูเฉยๆมันไม่เกิดความรู้ความเข้าใจอะไร เพราะว่ากำลังสติของเราอ่อนแต่ถ้าาดูไปแล้วมันสามารถตามดูได้ไปเรื่อยๆเพราะว่าสติของเรามีกำลังพอสติของเรามีกำลังมันก็มีความรู้เพิ่มขึ้นรู้ว่าอารมณ์เป็นอย่างนี้ถ้ามันมีความรู้เพิ่มขึ้นนั่นก็เป็นผลจากสติที่มันต่อนเนื่องสติที่มีกำลัง แล้วมันก็มีสัมปชัญญะแล้วมันก็เห็นประโยชน์ด้วยองถ้าหากว่าจิตอยู่เนี่ยนะสบายมันรู้สึกว่าอิ่มเอิบเบิก บ, บาน น, นี่เขาเรียกว่ามีปลาโมดลื่นเริงบันเทิงเบิกบานแล้วก็รู้สึกอิ่มใจขึ้นมามันอิ่มขึ้นมาในใจนี่เขาเรียกปีติ ปีตินี้อิ่มใจแต่ว่ามันมีผลตอล่อร่างกายโดยมันทราบซ่านไปทั่วสันหลางกายได้บางเรื่ทําให้มีอาการคันนู่นคันนี่ขนลุกหรือว่ากระตุกโยกเยโ ค, เคงเกร็งพวกนี้เป็นอาการของตีติถ้าหากว่าสติอ่อนจิตก็จะพอใจคือจิตมันมีความความอิ่มใจอ่ะ แล้วมันก็ไอตัวปิติมันมีผลต่อร่างกายสติของเราควบคุมไม่ทัน่มันก็มีอาการทางร่างกายสาบสานขึ้นมาหรือว่าโยกโครงขึ้นมาในขณะที่จิตมันเปลี่ยนแปลงร่างกายเปลี่ยนแปลงถ้าคลายคลความความเข้าใจตรงนี้มันไม่ทันะสติไม่ทันมันไม่รวดเร็วพอสัมปะชัญญะยังไม่มีกําลังก็จะพอใจอาการโยกอาจารย์โครงไป เนี่ยมันเข้าถึงมันมันยังละปีติไม่ได้มันก็มีการโยกการโคหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นจิตเนี่ยมันในขณะนั้นมันมีความอิ่มใจซุกซ่อนอยู่มันก็เลยไปพอใจปรากฏการที่มันเกิดขึ้นนี่เขาเรียกว่าไปยึดไปติดไปคล้องแต่ถ้าวัสตีดีขึ้นมาเมื่อไหร่มันเห็นว่าอ้าอันนี้มันมันเกิดของมันเนี่ย มันเกิดขึ้นเพราะว่าผลของการปฏิบัติของเราคือไปทันอาการที่จิตของเราเนี่ยมันมีสภาวะวาเกิดขึ้นจิตของเราเห็นปับ๊บมันเกิดเองแล้วเราก็ไม่ได้ไปหลงไปยึดไปติดไปข้องไปพอใจว่ามันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ว่ามันดีมันวิเศษจิตก็ชูเฉยได้จิตก็ยังยังเป็นสมาธิได้ มันก็จะผ่านปีติไปคือรู้ว่าอิ่มใจร่างกายเป็นอะไรก็รู้ว่าร่างกายเป็นไปตามสภาพนี่ก็เป็นผลของการปฏิบัตินี่เรียกว่าจิตมันคลายวางออกไปมันไม่หลงเพราะฉะนั้นบางคนจึงเป็นหลงยึดปีติหลงยึดปีติก็โยกโคงอยู่งั้นนานกว่าที่จิตของเราจะมีสติแล้วข้ามไปพ้นไปผ่านไป บางคนก็นั่งแล้วก็โยกบางทีโอ้โหยิ่นานนะบางคนเนี่ยโยกอยู่งั้นนะไม่มีใครบอกนั่งเมื่อไหร่ก็มีความสุขแล้วก็โยกมันมีความสุขทางใจอิ่มใจนี่เป็นเพราะติดปีติอันนั้นมันก็ทำให้ไม่ผ่านไปจิตไปยึดไปติดไปคล้องเนี่ยแต่ถ้าหาว่าทันปับ๊บอันนี้เป็นอาการของร่างกายเท่านั้นเองล้าก็อยู่กับปัจจุบันต่อไป จิตก็ไม่ไปยุตนึงก็ผ่านไปอีกเนี่ยทีนี้พอมันมีปีติแล้วมันก็จะมีความสงบสงบกายแล้วก็สงบใจสงบใจแล้วก็ทำให้กายสงบด้วยปีตินี้มันยังมีผลต่อร่างกายมันซาบซ่านไปทั่วร่างกายแต่ว่าความสงบเนี่ยมันละเอียดกว่าปีติมันมีความสงบอยู่ภายในลึกๆเนี่ย คือปีติเนี่ยมันมีหลายอย่างบางคนก็น้ำหูน้ำตาไหลบางคนก็เนียวขนลุกแต่บางคนก็สาบซ่านไปเหมือนกับเอาน้ําเนี่ยล่าไปตามร่างกายตามตัวแต่บางคนก็กระตุกแรงๆก็มีนะเขาเรียกว่าอุเป็นคาปีติปีติลดโผล่กระตุกหงอยหน้าไงหลังไปเลยนี่อำ น, นาองปีติถ้าปฏสติความสงบ อนนี้จิตใจเนี่ยมันสงบแล้วก็สบายแล้วต่อจากนั้นมันละเอียดเข้าไปอีมันก็กลายเป็นความสุขนี่นี่เราเรียกธรรมสมาธิถ้าจิตเริ่มเป็นสมาธิมันก็จะมีพวกนี้เกิดขึ้นมันก็มีผลทําให้รู้สึกว่าสบายอกสบายใจมีความสุขใจบางคนพอมันสุขก็เลยพอใจ ไปพอใจอยากจะมีความสุขอยู่อย่างนั้นไม่อยากให้ความสุขหายไปนี่เ็าไปยึดไปติดไปคล้องอีกแล้วท้าวสุขก็รู้ว่าสุขอย่างเนี้ยก็เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะเราไม่ยึดไม่ติดไม่คล้องรู้ว่าเป็นผลของการปฏิบัติธรรมเป็นสมาวะธรรมใจเราก็สบายสบายเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าใจมันมันเริ่มเป็นสมาธิเนี่ยมันก็ดูได้ว่าเออสติก็ดีขึ้นตามดูอารมณ์ได้ต่อเนื่องแต่ทีนี้บางครัง้งบางคราวมันก็มีเพ้อไปอันนี้เนื่องจากว่าจิตของเราเป็นธรรมชาติที่ต้องนึกคิดปรุงแต่งอารมณ์กําลังสติของเราก็ยังไม่มากพอจิตมันรวดเร็ว มันต้องนึกคิดไปอันนี้เราต้องเข้าใจเพิ่มเติมขึ้นว่าอ๋อธรรมชาติของจิตต้องนึกคิดตึงแต่งไปเราไม่ไปกังวลกับมันเพราะเรารู้แล้วว่ามันเป็นธรรมชาติของมันพระเจ้าในสอนให้เราตามดูตามรู้ไม่ใช่ไปห้ามมันไปบังคับมันไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือรู้เข้าใจเออทํามันมัน มันเพ้อไปนี่ก็ร่วงเพ้อเสียมันคิดไปร่วมคิดไปแล้วก็ตั้งใหม่อย่างนี้ผู้ปฏิบัติก็จะง่ายขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกด้วยว่าให้พอใ้สร้างเหตุพอใจสร้างเหตุก็คือว่าเรามีหน้าที่ปฏิบัติส่วนผลแล้วแต่สภาวธรรมจิตของเราก็สบายทีนี้เพราะเราไม่ไปว่าอยากให้มันสงบอยากได้ปัญญา อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ที่เราเคยเป็นมาแล้วก็อยากให้เป็นอย่างเก่าไม่เกี่ยวอันนั้นเป็นเรื่องของสภาวธรรมเรามีหน้าที่จเจริญสติให้สติเนี่ยรักษาใจเราควบคุมจิตใจของเราให้อยู่กับปัจจุบันถ้าสติของเราควบคุมจิตได้ดีคือสติมันมีกำลังขึ้นมามันก็จะตามดูอารมณ์ อารมณ์เป็นยังไงก็รู้เนี่ยนี่เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะถ้าดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันก็จะรู้ว่าลมเนี่ยมันเป็นยังไงคือตามดูตามรู้ถ้ามันสั้นรู้มันสั้นมันยาวรู้มันยาวไม่ใช่จะไปบังคับลมไม่ใช่ไปปรุงแต่งลมเนี่ยนั่นก็คือดูไปตามธรรมชาติ ก็สอดคล้องกับหลักที่ว่าเรามีหน้าที่ปฏิบัติเรามีหน้าที่สังเกตดูส่วนสภาวธรรมเป็นผลของการปฏิบัติพอะพุทธเจ้าเองก็ตัดกับภิกษุบ่อยๆนะดูก่อนภิกสุทั้งหลายก็คือตัดกับสาวกของวงสาวกของ ว, วองวในวงเรียกพิกสุทั้งหลายหมดเลยนะคําว่าพิกษุทั้งหลายเนี่ยหมายว่าผู้ที่เห็นภัยในวัฏสงสารไม่ได้หมายถึงพระอย่างเดียวนะ ผู้กับเทวดาก็ดูกรรพริสูทั้งหลายพูดกับพระก็ดูกรรพริสุทั้งหลายพูดกับบริษัทพลวัตญาณโยมก็เหมือนกันดูกรรพริสูทั้งหลายหมายว่าผู้ที่เห็นภัยในวัฏสงสารเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่ามันเป็นโทษเห็นว่ามันทรมานมันบีบคัน้น มีเช่อว่าภิษุภิษุทั้งหลายถ้าใครเห็นทุกข์ในวัฏสงสารอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นภิกษุแล้วแต่ถ้าใครยังหลงอยู่วนเวียนอยู่พอใจในการที่จะมีชีวิตอยู่ซ้สำซากจําเจอยู่อย่างนั้นนะพอมันทุกข์หนักๆเข้าทุกข์ดับไปก็มีสุขขึ้นมานิดๆหน่อยๆเดี๋ยวก็ทุกข์อีกสุขสขุทุกทุ ก, ทก ตามความหมายของชาวโลกแต่จริงๆแล้วสุขก็คือทุกข์ที่น้อยหน่อยคือถ้ามันมั น, ม, นมันทุกข์ทุกข์น้อยก็เรียกว่าสุขแต่มันเป็นทุกข์ชนิดหนึ่งเพราะมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วในขณะที่สุขก็อยากให้มันสุขมากขึ้นอยากให้มันเต็มอิ่มไม่อยากมันหายไป ตัวเองสุขขนานี้มองดูคนอื่นก็เหมือนเขาจะสุขมากกว่าเราเป็นทุกข์อีกแบบหนึ่งเอาความสุขของเราไปเปรียบเทียบกับความสุขของคนอื่นด้วยความคิดของเรามันก็เลยไม่ใช่สุขจริงมันยังเป็นทุกข์ได้อยู่นี่แหละท่านทึงเรียว่าดูก่อนพิสุจทั้งหลายคือผู้ที่เห็นภัยในวัฏฏสงสาร สิ่งที่เรากระทำบำเพ็ญในสมัยที่เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่ยังไม่ได้ตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างในปัจจุบนันนี้มีอยู่สองอย่างที่เราทำอยู่ตลอดไม่เคยทอดทิ้งไม่เคยเบื่อหน่ายไม่เคยสันโดษสิ่งสองอย่างนั้นก็คืออันที่หนึ่ง คือการกระทําบุญกุศลคุณงามความดีเรียกว่าสร้างแต่กุศลคุณงามความดีเท่านั้นอากุศลไม่เอานี่คือพระโพธิสัตว์ที่ปาถนาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่สองคือการเจริญอานาปานสติ เ, เจริญสติอยู่ตลอดจนกระทั่งตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าว่าใครเนี่ย มีคุณสมบัติสองอย่างนี้เรียกว่าก็ใกล้เคียงกับพระพุทธเจ้าเรียว่าสาวกโพธิสัตว์ก็ได้สาวกโพธิสัตว์เนี่ยก็คือผู้ที่จะบรรลุตามพระพุทธเจ้าพระเจ้าตรัสรู้บรรลุด้วยพระองค์เองเรียกว่าเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้เองแต่เรานี่ศึกษาคําสอนของพระองค์แล้วรู้ตามนี่คือเรียว่าสาวกโพธิสัตว์ ถ้าว่าใครมีสองอย่างเนี้ยติดตัวอยู่ตลอดเวลานั่นแหละกาลังเดินตามทางของพระเจ้าโดยตรงเลยทือว่าใกล้ชิดกับผู้ทธเจ้าก็ได้ถึงพระองค์ปรินิพานไปแล้วแต่พระองค์เนี่ยสรรเสริญถือว่าเป็นผู้ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าเพราะปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์ให้จิตใจของเราเนี่ยใกล้ชิดกับธรรมะ มีธรรมะเกิดขึ้นกับจิตใจแล้วพระองค์ก็เห็นว่าผู้ที่มาปฏิบัติเนี่ยมันหาได้ยากเพราะว่าธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นี้เป็นธรรมที่รู้ได้ยากเห็นได้ยากมันมีความลึกซึ้งมันเป็นวิสัยของบัณฑิตเนี่ยพระเจ้าพิจนานา พินาแล้วก็รู้ว่าองค์ธรรมะทั้งหลายเนี่ยทีแรกเพราะองค์ก็ตัดสรุก่อนตัดสรุเสร็จแล้วก็เสเวยมีมุติสุขหมายว่ามันมีมันมีสภาวะที่สุขคือความทุกข์ไม่เกิดขึ้นใจก็เลยเป็นอุเบขาลาบเรียบอยู่ในจิตใจมันละเอียดกว่าสุขละเอียดอ่อน จิตใจราบเรียบไม่มีอะไรเข้าไปเสียดแทงใจให้เป็นทุกข์ได้เลยเท่าเม็ินเม็ดทรายอะไรก็ไม่มีท่านก็เห็นสภาวะอันนี้ขึ้นมาสภาวะที่จิตสะอาดบริสุทธิ์ทงก็ประมวลความรู้ทั้งหมดที่พระองค์ตรัสรู้พระองค์รู้อะไรก็รู้ว่าไอ้สภาวะทุกขนี้มันเกิดขึ้นที่จิตของเรา จิตของเราที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมเนี่ยมันก็จะมีความลุ่มหลงยึดติดข้องว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้วุ่นวายอยู่ในจิตใจมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาในขณะที่เป็นทุกข์อยู่นั่น น, น้มันก็จะมองออกไปข้างนอก เป็นเพราะอันนั้นเป็นเพราะอันนี้เป็นเพราะคนนั้นเป็นเพราะคนนี้เป็นเพราะเรื่องนั้นเป็นเพราะเรื่องนี้จิตก็เลยไหลออกไปข้างนอกหมดเลยมันก็เลยไม่เห็นว่าทุกเนี่ยมันเกิดที่จิตของเราเองเพราะจิตของเรามันลุ่มลงเนี่ยก็เลยต้องเนี่ยต้องมาเจริญสติเพื่อให้จิตเนี่ยกลับเข้ามาอยู่กับตัวเราให้ได้ซะก่อน ดึงพูดง่ายว่าดึงจิตเนี่ยมันกำลังไหลไปเนี่ยดึงกลับมาให้มันย้อนกลับมาอยู่ที่ตัวเราไม่ให้มันไปถ้ามันไปแล้วเนี่ยมันจะไปจมอยู่กับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวต่างๆมันก็จะครอบงำจิตใจเรามองลงไปเมื่อไหร่มันก็เห็นแต่อารมณ์ต่างๆที่มันครอบงำจิตใจใจเราก็เลยตกเป็นทาสของอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายก็มีอิทธิพลต่อใจเรา แล้วใจเราก็ปรองแต่งไปวนเวียนอยู่ในจิตใจมันก็เป็นทุกข์กนะ็คือใจเราเนี่ยเท้าเดินทางไม่ถูกไม่รู้ทางออกเลยนะแต่พระเจ้ารู้ให้มีสติดึงใจกั้นจิตใจไว้ไม่ให้จิตเนี่ยมันออกไปให้จิตอยู่จึงให้อยู่กับลมก่อนลมเป็นยังไงให้รู้รู้อยู่ที่ลม ทามันอยู่ได้นานๆขึ้นเรียกว่าเป็นสมาธิแนะล้วบางทีสภาวะ ต, ต่างๆมันก็เกิดขึ้นเพราะเป็นผลของการปฏิบตัติมีรื่นเริงเบิกบานมีอิม่มอกอิ่มใจมีสงบกายสงบใจมีความสุขนะแล้วต่อไปก็เป็นอุเบกขาได้แต่อุเบกขาในสมาธินี้เ็าเรียกว่าเป็นอุเบกขาเวทนามันแตกต่างจากจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีอะไรแล้วมันลาบเดียบ เป็นเวขาที่เกิดจากสติปัญญาสูงสุดจิตไม่ยึดมันถึงมันอะไรเนี่ยพระเจ้าก็ประมวลธรรมะทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เข้ามาขณะนั้นก็เกิดความรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันยากเหลือเกินมันลเอียดอ่อนเนี่ยก็ลองมองไปสิมองไปโลกอย่างก่อนจะเข้ามาตรงนี้ได้ยินเสียงเพลง มองเข้ามาที่ถ้ำก็กำลังสวดมนต์ทำวัดเย็นแต่ข้างนอกเป็นเสียงเพลงนะเขาก็ต้องอาศัยเสียงเพลงเป็นเครื่องอยู่เพราะจิตใจมันไม่สงบจิตใจมันไหลออกไปก็ถ้าหาว่าจิตเนี่ยมันไปสนใจฟังเพลงเช่อย่างน้อยจิตก็มีมีความสงบหรือเป็นสมาธิขึ้นนิดนึง จิตอยู่ใน่นึงแต่เขาไม่รู้ว่าจิตเขาอยู่เป็นการทําให้จิตอยู่คือให้มันอยู่โดยการที่พึ่งพึ่งเสียงแต่แทนที่จะเป็นเสียงธรรมะแทนที่จะเป็นเสียงสวดมนุ์เขาก็เลือกเสียงเพลงพราะจิตมันพอใจอย่างนั้นจิตมันรุ่มหลงเมื่อเพลงเนี่ยมันจะกล่อมเก่าทำให้มีความสุขนี่ผู้เจ้าเปรียบเทียบ ว่าโอ้โหสัตว์โลกเนี่ยเต็มไปด้วยอะไรเนี่ยยินดีแล้วในอะไรมีแต่ความอาลัยอาวรณ์มีแต่ความหอยหามีแต่ความอยากมันเป็นการยากที่จะมารู้ธรรมะเพราะธรรมะนี้มันเป็นธรรมะของผู้ที่มีปัญญาของผู้ที่มีวิสัยเป็นบัณฑิต นี่แสดงว่าใครที่มาปฏิบัติเนี่ยก็จะต้องมีวิสัยเป็นบัณฑิตเป็นผู้ที่มีปัญญาคือเห็นแล้วละ่ะว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นทุกข์ถ้าปล่อยให้ชีวิตไหลไปอยู่ตลอดอย่างเนี้ยไม่มีทางที่เป็นสุ ข, สขได้ไม่มีทางที่พ้นทุกข์ได้มันต้องซ้ำซากจําเจอยู่อย่างเนี้ยทบทวนปับ๊บจิตมันผุดขึ้นมาเองนะ ว่าถ้าอย่างนั้นเราไม่สอนดีกว่าดูซิถ้าหากว่าเราสอนแล้วเขาไม่รู้เรื่องเราก็เหนื่อยเปล่าเราก็ลำบากเปล่าเล่าคิดขึ้นมาเลยนะพระพุทธเจ้าจิตมันคิดขึ้นมาเองไม่ได้ตั้งใจคิดแต่พอดีในขณะนั้นมีเท้าสามบดีพรมเป็นพรมที่เป็นพระนาคามี เคบรรลุธรรมตั้งแต่สมัยเป็นมนุษย์แล้วก็ไปเกิดอยู่บนชั้นสุทาวาสอยู่พรมโลกเป็นพรมที่มีเจโตปริยญาณสามารถล่วงรู้ความคิดของพระพุทธเจ้าได้ในขณะนั้นอุทานออกมาหารู้ว่าผู้เจ้าจะไม่สอนแล้วโลกสิพหายแล้วหนอโลกแยกแล้วหนอโลกสิบหายแล้วหนอน พอผู้ที่มีพระทัยบริสุทธิ์จะไม่สอนแล้วเราจะต้องไปอาราธนาพระองค์ให้สอนชาวโลกก็หายวับจากภูมนโลกอมาปรากฏต่อหน้าพระพุทธเจ้าทามัญเฉลีคุกเขาอัเฉลีแล้วก็ทูลอาราธนาว่าอยากให้พระองค์สอนเพราะว่าผู้พีดีมีปัญญาพอรองรับธรรมของพระองค์คงมีเป็นแน่ แล้วก็เดี๋ยวนี้ในแคว้นมโค่ะคำสอนทั้งหลายเนี่ยเจือด้วยมลทินเป็นคำสอนที่มีกิเลสสกรปรกไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์เหมือนคำสอนของเรานะพระพอพร ะ, พ, ระพุทเจ้าได้รับวาลาธนาก็พิจารณา ท, าทันทีเลยปับ๊บอ๋อเห็นว่ามนุษย์เนี่ยเหมือนบัวสามหลักอันหนึ่งพ้นน้ำแล้วตั้งอยู่ ฉัว like like ่าเหมือนพินาชีวิตของคนเราเหมือนบัวฉัเหมือนดอกบัวที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำบางบางบางบางเหล่าพ้นน้ำแล้วตั้งอยู่บางเหล่าเกิดในน้ำเจริญในน้ำแล้วปิดน้ำอยู่บางเหล่าเกิดในน้ำเจริญในน้ำแล้วยังจมน้ำอยู่ ผู้ที่พลน้้ำก็คือว่าถ้ารู้เหมือนรอแสงพระอาทิตย์ต้องแสงอาทิตย์ปั๊บก็เบ่งบานนี่ท่านเรียกว่าถ้าหากว่าคนประเภทนี้บงเพ็ญบา ร, รมีมามากยาวนานฟังธรรมปับ๊บแค่หัวข้อก็สามารถบรรลุธรรมได้ถ้าปริ่มน้ำพระพเจ้า ก, ก็รู้ว่าเออนี่ฟังหัวข้อยังไม่บรรลุแต่ได้รับฟังคาอธิบายเพิ่มเติม เข้าใจก็สามารถบรรลุธรรมได้ส่วนผู้ที่ยังจมน้ำอยู่นั้นต้องฟังแล้วฟังอีกปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกสงสัยแล้วซักถามแล้วต่อมาก็จะสามารถบรรลุธรรมได้ดีที่จริงมีแค่สามหลังแต่ตอนหลังมานี่อาจารย์ขาจารย์หรือคนที่เพิ่มเติมทีหลังว่าเป็นบัวสีหลังแต่ครั้งแรกจริงๆมีแค่สามหลัง นั่นก็คือว่าใครที่เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาสามารถที่จะฟังธรรมเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามได้คนที่ปฏิบัติตามถ้าว่าใช้ความเพียรพยายามใช้ความอดทนก็สามารถจะบรรลุตามพระพุทธเจ้าได้ความหมายเป็นอย่างนี้เมื่อพระุทธเจ้าพิจารณาเรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้ด้วยนะ หมาอูสัตว์ลมเนี่ยคนที่คนที่อินทรีย์กล้าก็มีนะอินทรีย์อ่อนก็มีคนที่ปัญญามากก็มีปัญญาน้อยก็มีคนที่มีอาการดีก็มีอาการเลวก็มีอาการดีก็คือว่าไม่ค่อยมีอะไรรบ ก, กวนปฏิบัติได้สบายๆคนอาการเลวก็หมายว่า สร้างกรรมมาแล้วก็ อ, อันนั้นลุกโวน์บ้างอันนี้ลูกโวน์บ้า ง, างอินทรียปัญญามากปัญญาน้อยอินทรีย์กล้าอินทรียอ่อนอาการดีอาการเลวรู้ง่ายรู้ยากบางคนก็ฟังเข้าใจง่ายบางคนก็ฟังเข้าใจยากเนี่ยมันก็มีมาติดตัวมาบางคนก็เห็นภัยในปัลโลกบางคนก็ ยังไม่เห็นภัยในปรนโลกนะเพระว่าเห็นภัยในวัฏฏะสงสารนี่แหละผมว่าก็เห็นโทษเห็นภยัยอย่างที่ว่านั่นแนหะพวกที่ไม่เห็นโทษก็เสียงเพลงลอยมาเดี๋ยวก็เสียงเขาคุยกันดังสนาน่นมาไว้ร้องเรียกกันตะโกนใส่กันนี่ผู้ที่เห็นภัยในปรนโลกรู้ว่าโอ้โหถ้ายังเห็นไหวใจเกิดอยู่เนี่ยมันต้องทุกข์ซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนี้ ถ้ายังมีการเกิดอยู่ต้องมีทุกเมืองนั้นชาตินี้พอแล้วยังไงยังไงก็จะพยายามปฏิบัติเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถไม่พ้นทุกข์ในชาตินี้ก่อนเออให้มันให้พบชาติมันน้อยลงน้อยลงดีกว่าเนี่ยผู้เจ้าก็พีนาเรียบร้อยก็เลยบอกเออ ร, รับอาณาธนาเนี่ยทูกรพรม เป็นเพราะท่านเพราะการอราธนาของท่านเรายินดีที่จะสอนสั่งสอนธรรมะประตูอมตะธรรมได้เปิดขึ้นแล้วเชิญท่านผู้มีศรัทธาจงเดินเข้ามาเถิดเดินเข้ามานี่ก็คือเดินตามทางของพระเจ้าประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือเส้นทางที่พระเจ้าปฏิบัติมาคือถ้าหาว่าสรุปหลักการก็คือพยายามให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวพอรู้ตัวสติมีกำลังก็จะมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวกว้างขวางขึ้นเกิดความรู้ความเข้าใจมากขึ้นแรกๆก็จะตามดูอารมณ์ไป ลมเป็นยังไงก็ตามดูถ้าหาว่าใครจเจริญอาณาปานสติถึงจะท่องหุโทโฮหุทโฮก็ตามต่อมาเนี่มันก็ต้องมาดูลมดูอาการของกายเวทนาจิตธรรมก็คือสติปัฏฐานสี่มเข้ามาหาสติปัฏฐานสี่อันนี้เราพูดในแง่ของการตามดูลมไปก่อนในเมื่อดูลมไปทีนี้ทางร่างกายธาตุขันมันก็ต้องมีความวิคนุนวิการปนูนแปรความเจ็บความปวดความมั่ย เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ตึงนั่นตึงนี่เฮ่มันก็ต้องเกิดขึ้นถ้าเรียกวเวทนาท่านก็ให้ตามดูเวทนาได้แต่ถ้าหาว่ามันน้ำหนักช่างดูน้ำหนักดูลมกับดูเวทนาอันไหนมีน้ำหนักมากกว่ากันท่านพอใจตามตามดูลมก็ดูลมไปแต่ถ้าเวนะทานามีน้ำหนักมากกว่าเราจะไปฝุนอยู่กับลมมันอยู่ไม่ได้จิตมันวิ่งไปแล้วมันก็ต้องดูเวทนาไปมันก็เลยเป็น เป็นกายก็มาเวทนาบางทีจิตมันนึกมันคิดมันฟุ้งมันแต่งทีแรกมันดูลมอยู่เท่ามีความคิดจิตไม่ไปนสนใจมันก็แล้วไปความคิดเกิดแล้วกระดับมันก็อยู่กับลมหรือว่ามันคิดแล้วเผลอไปตั้งใหม่ก็ไม่อยู่กับลมทีนี้มันคิดในขณะที่คิดแต่จิตก็วิ่งมาวนเวียนอยู่ที่ความคิด ขณะนั้นสติก็รู้ด้วยเพราะมันกําลังคิดอยู่ความคิดก็ยังไม่ได้ดับไปก็ตามดูความคิดนี่ยวิจิตตารูปษษัชนาสติปัฏฐานตามดูกายตามดูเวทนาตามดูจิตจีน่าว่ามันมีกําลังมากสติสัมปชัญญะเนี่ยมันรู้วา่านี่เกิดแล้วก็ดับไมนะ่นาดูความคิดเดียวความคิดก็ดับไปไม่ได้มีอะไร นี่ก็คือธรรมานุปัสสนาสีประธานก็เป็นการตามดูธรรมนี่ยังอยู่ในขั้นตามดูเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะมีปัญญาเบื้องต้นเป็นปัญญาเบื้องต้นเป็นปัญญาที่สอดคล้องกับความจริงเพราะความจริงก็คือว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยกเว้นพันิพานแล้วกัการเจริญสติเนี้ย ผู้เจ้าก็ตัดเองว่าเป็นใหญ่คือใ น, ในบรรดาธรรมทั้งหลายท่านว่าสติเนี่ยเป็นธรรมใหญ่ท่านเปรียบเทียบกับรอยเท้ารอยเท้าสัตว์สัตว์มีรอยเท้าช้างใหญ่ที่สุดเนี่ยในบรรดาธรรมทั้งหลายก็สติเป็นใหญ่ถ้าว่าจเจริญสติไปธรรมอื่นจะเกิดขึ้นด้วย อนะย่างเรื่องแรกก็เอามีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะมีสมาธนะิแล้วก็มีปัญญาค่อยๆตามมาเพราะฉะนั้นตอนแรกๆเราจึงเน้นการมีสติต่อมาก็พูดถึงสติสัมปชัญญะทีนี้ถ้าว่าจิตมันสงบลงไปทีแรกก็ตามดูเห็นไปมันสงบรู้มันสงบถ้ากำลังมันยังไม่พอนี่ยมันก็พักกอนจิตเนี่ย มันเป็นไปตามขั้นตอนของการปฏิบตัติเราไม่ได้รังเกียจสมาธิบางคนอยากเอาแต่ปัญญานะพอจิตสงบก็ไม่อยากให้มันสงบกลัวมันจะติดสมาธิอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นขึ้นอยู่ขั้นตอนของการปฏิบตัติมันสมควรที่จะสงบก็ให้มันสงบพอเรารู้ตัวอยู่มีสติอยู่ถ้าหาวาสติมีกําลังเนี่ยสงบ จิตก้องแทนที่มันจะไปดูความสงบมันมาดูจิตเมันมาดูตัวรู้นี่แสดงว่าไม่ติดสมาธิไม่ติดความสงบอะไรกิดขึ้นก็รู้นี่แสดงว่ามันไม่ติดความสงบอาศัยความสงบแต่ไม่ติดความสงบอาศัยสมาธิแต่ไม่ติดสมาธิในขณะที่ติดจิตเป็นสมาธิมันก็รู้หนุนรู้ร น, นี่ได้รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมได้ รู้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้รู้ว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราได้มีความรู้อันนี้มันไม่มันไม่ติดอยู่กับความสงบไม่ติดอยู่กับสมาธิมันออกมาทําหน้าที่รู้โดยอาศัยสมาธินั้นสมาธิจึงเป็นบาตรฐานของวิปัสสนาของปัญญาที่เราต้องการเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากอยู่กัความสงบอยากอยู่ความสุข อยู่ความอิ่มเอิบเบิกบานอย่างนั้นแต่เราต้องการปัญญาปัญญาญานโดยอาศัยความสงบเป็นพื้นฐานอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานเพราะงั้นการปฏิบัติของเราจึงมีเป้าหมายอยู่ที่ปัญญาปัญญายานรู้ความจริงสูงสุดว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรารู้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้มันมันเปลี่ยนแปลงรู้มันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มีเหตุมีปัจจัยมันก็เกิดขึข้นเกิดแล้วก็ดับเดี๋ยวมีอารมณ์เกิดขึ้นกับจิตเราเราก็นึกคิดปรุงแต่งอารมณ์นั้นพออารมณ์นั้นดับไปความคิดนึกปรุงแต่งเรื่องนั้นก็ดับไปมันก็จบไปเกิดแล้วก็ดับไปไม่ใช่ความคิดก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราบางทีก็มีอาการวูบวาบเกิดขึ้นเกิดแล้วก็ดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอะไรจิตเราก็เป็นปกติจิตเราก็ ดูอย่างนั้นนะรู้เห็นไปแล้วแต่สภาวธรรมอันนี้เกิดมาก็เกิดมาเพื่อให้จิตเรารู้เราดูเราเห็นเห็นอะไรเห็นว่ามันเกิดแล้วก็ดับเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะนั้นการปฏิบัตินี้ก็เลยต้องการปัญญาญาณตรงนี้ถ้ามันเห็นอย่างนี้มันก็ไม่อยายบยึดอะไรเพราะมีใต่ความเกิดดับมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจิตก็คลายออกคลายออกนี่ก็เป็นปัญญา เนี่ยนี่ตรงนี้เขาเรียกว่ามร์เดินอริยมร์แล้วสติก็กลายเป็นสัมมาสติหมายความว่ามันมันมีกำลังควบคุมจิตเอาไว้ได้จิตก็ไม่เล็ดลอดไปทางไหนเนี่ยมันไม่ฟูซางเขาเรียกว่าสัมมาสมาธิความพยายามอย่างนี้เขาเรียกว่าสัมมาวายามะเนี่ยนี่กลายเป็นองค์มร์แล้ว สิ่งที่เห็นรู้ว่าโอามันแค่เกิดดับไม่ใช่เราไม่ใช่เรามีมาจากเหตุปัจจัยทั้งนั้นเลยจิตมันไม่เอาเข้ามาเป็นเราเป็นของเราดูเฉยได้เอย่าเป็นสัมมาทิฏฐินะ่ความเห็นชอบสัมมาสังกปัปปะถ้าหาว่าโดยธรรมดาก็ว่าเออสัมมาสังกปโปเนี่ยความคิดชอบคือคิดคิดที่จะออกจากกรรมคิดที่จะละพยาบาทคิดที่จะละความเบียดเบียน มันกลายเป็นความคิดที่อยากจะเป็นอิสระอยากหลุดพ้นไปมันปฏิบัติจิตมีกําลังแเข้าเป็นองค์มากแล้วเนี่ยอยากหลุดพ้นไปไม่อยากให้มีอะไรมาข้องําจิตเนี่ยเนี่ยสัมมาสังกปปะมีหลายระดับนะทีงมันหยุดเนี่ ย, ยมันไม่อยากพูดในสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจก็เป็นสัมมาวาจาเนี่ยเพราะนั้นคนปฏิบัตินเนี่ยมันจริงควบคุมจิต แล้วมันก็จะไปควบคุมคําพูดได้ทําให้ปฏิบัตินี่อาศัยว่าไม่ให้พูดโกไม่พูดส่อเสียไม่พูดเพิรเจอไม่พูดหยาบหลุสวัจจายาบคายแต่มันทําได้ยากเพราะมันควบคุมจิตไม่ได้อั๊บมันหลุดไปแล้วมันวิ่งไปแล้วมันไหลไปแล้วเคยชินไปกับมันเลย เนีเพราะนั้นคนที่จะปฏิบัติตามคําสอนรู้เจ้าเนี่ยต้องปฏิบัติที่จิตเพรจะสอนกันขนาดไหนก็ช่างโจพระไตรปิฎกกี่เที่ยวก็ตามถ้าไม่มาปฏิบัติแล้วไม่บรรลุเป้าหมายไม่สามารถควบคุมจิตไม่สามารถที่จะละสิ่งไม่ดีภายในจิตได้คนเป็นแค่ความจําที่นาเกิดความเข้าใจก็จริง แต่ขาดสติสัมปชัญญะควบคุมจิตไม่ทันเจตนาที่จะล่วงละเมิดความไม่ดีทางกายความไม่ดีทางวาจาได้ศีล ม, มันก็เลยไม่ไม่เกิดขึ้นสมมากรรมโตการงานชอบก็บมันก็ต้องละการงานที่มันเป็นทุจริตเนี่ยทางกายทางวาจาทางจิตใจ หมดเว้นจากอาชีพที่ไม่สุจริตแลอาชีพที่ทุจริตเสียก็เป็นสัมมาอาชีวะเนี่ย อ, อง์มรคมันก็เลยอยู่ในจิตอาศัยการปฏิบัติเนี่ยเจริญสติอย่างเดียวเนี่ยอริยมรคมีองแปลก็จะมาเกิดขึ้นที่จิตเราหมดเจสติสัมปะชัญญาก็ามาอยู่ในจิต วิทาก็มาอยู่ในจิตความเพียรความศรัทธาก็อยู่ในจิตปัญญาก็อยู่ในจิตอินทรียาห้าพละห้าอยู่ในจิตโหชงเจ็ดอยู่ในจิตไายมัฟมีองแปดอยู่ในจิตมารวมลงที่การปฏิบัติของเรารวมเป็นโพธิปักขียธรรมทำฝ่ายที่จะทำให้เราตัดสู่ได้โพธิหมายถึงความรู้ปัจจียะหมายถึงฝ่าย โห ท, ทิปักกยธรรมทำที่เป็นฝ่ายทําให้ตัดสรุ้ก็เข้ามาอยู่ที่จิตเราหมดเพราะนั้นท่านถึงว่าไม่ต้องไปคาดหวังให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้ตั้งใจปฏิบัติไปให้มีสติจเจริญสติเรื่อยไปแล้วมันก็จะค่อยพัฒนาของมันไปให้จิตเราอยู่กับปัจจุบันนี่แหละอันนี้เป็นการสรุป การปฏิบัติอีกแบบหนึ่งพูดเย่อะย่อเพื่อให้เรารู้โครงสร้างของการปฏิบัติหัวาการปฏิบัติทุกอย่างทุกสายมันจะมาลงที่นี่มันต่างกันตอนเริ่มต้นแต่พอจุดหมายปลายทางแล้วเป็นอันเดียวกันหมดพองน้อยุบน้อยก็เหมือนกันมันก็ตอนมัก็เป็นลมนั่นแหละที่นายก่าท้องพอง รั่วพองท้องยุบรวยุบเนี่ยพอสติมีขึ้นมาสัมปะยามีขึ้นมาก็คือไปดูลมพอท้องพองท้องยุบก็เกิดจากลมมันก็ไปดูอาการของลมเป็นสติปัฏฐานสี่เหมือนกันแต่มันจะขึ้นเป็นวิปัสสนาก็ต่อเมื่อจิตตั้งมั่นะเพราะนั้นเราอยู่ในขั้นไหนอันนั้นเป็นผลของการปฏิบัติของเรา เราก็พอใจว่าเราได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วมันจะดีหรือไม่ดีไม่ใช่หน้าที่ของเราเราก็ได้ปฏิบัติสงบไม่สงบไม่ใช่หน้าที่ของเราขอให้เราได้ปฏิบัติมีปัญญาไม่มีปัญญาไม่ใช่หน้าที่ของเราขอให้เราได้ปฏิบัติถูกต้องตามทางของพุทธเจา้าผลของการปฏิบัติเป็นหน้าที่ของสมาวัธรรมมันก็เป็นเองมันจะบรรลุมรรคบรรลุผลก็เกิดขึ้นเองถึงพระนิพพาน ก็เป็นเองคือเราสร้างเหตุแต่ทีนี้มันก็มีรายละเอียดไม่ใช่ดูอย่างเดียวละบางทีมันก็ต้องได้ทำให้จิตของเราเนี่ยมันลึกซึ้งเข้าไปเข้าใจลึกซึ้งมันพอใจมันทำให้จิตเนี่ยมีความสงบลึกซึ้งบางทีมันก็นึกตามไปก็มีนึกขึ้นมาร่างกายนี่มันไม่ใช่ของเราแล้วเนี่ยดูสิเนี่ยมันเกิดดบแล้วใจมันก็ยั่งเข้าไปลึกเข้าไปมันก็ทาได้ ต้นทางกายของเราเนี่ยมันไม่ใช่ของเรานะนี่เพราะมันเห็นอยู่เฉพาะหน้าด้วยจิตมันพูดขึ้นมาได้มันว่าขึ้นมาได้เนี่ยมันเป็นรายละเอียดอันนี้เราเราพูดเนี่ยพูดหยาบหยาบไปก่อนให้เห็นโครงสร้างของการปฏิบัติที่ในรายละเอียดก็มีอีกแต่ถ้าเข้าใจวิธีปฏิบัติแล้วผลมันจะเกิดขึ้นเองรายละเอียดก็จะรู้ด้วยตัวเองเนี่ยแต่มันจะตรงกันตรงที่ว่าพอมีปัญญาแล้วจิตจะคลายออก คลายวาง้าบรรลุอรยมากแล้วมันก็จะประหาหันกิเลสได้ด้วยนะจิตก็คลายออกมากขึ้นเท่านั้นขอให้ตั้งใจปฏิบัติไปนะ สัระสโชกไกโดยพระองค์เอง